มีเรื่องเล่าว่าชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านแล้วก็คุยกันออกรถออกชาตินจนจนมืดค่ำเมื่อถึงเวลาชายตาบอดก็จะกลับบ้านแลบ้านก็อยู่ไม่ไกลเจ้าของบ้านก็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 แกก็เลยเดินถือโคมไปเดินไปพักใจก็มีคนมาเดินชนแกเดินชนคนตาบอดท่านะคนตาบอดก็เดินชนจนล้มเลยนะแกก็เลยบวยวาขึ้นมาว่าไม่มีตาหรือไงนะไม่เห็นหรือว่าฉันไม่เห็นหรือว่าฉั น, ฉนจุดโคมอยู่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 นึกถึงคนอื่นจนลืมต น, มตนหรือไม่มีตนที่ภูหลงเนี่ยมันจะมีภา ษ, ภ า, ษภ า, าจี น, าาจนแต่ว่าได้มาจากญี่ปุ่นเคยไปไปงานฉลองของนิกายหนึ่งที่ตั้งมาได้พันสองกว่าปีเมื่อสักษีห้าปีก่อนแล้วเขาก็ให้ ให้แผ่นแผ่นเป็นข้อความภาษาจีนเขียนสวยทีเดีย ว, ยวก็ถามเขาว่าแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าเป็นภาษิทธิ์หรือเป็นคติพจน์ของครูอาจารย์เขาที่นั่นก็คือว่าแปลงสั้นๆว่าลืมตนแต่นึกถึงมหาชน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 ที่จริงแล้วมันพอเราปฏิบัติจกนกระทั่งตัวตนมันเล็กลงหรือจกนกระทั่งไม่มีความยึดติดถือมากในตัวตนเนี่ยใจก็จะมีเมตตาเปิดกว้างเป็นหนึ่งเดียวกับสรัรพพสัตว์กับสรัพรพสิง์ด้วยซ้ำความรู้สึกนั้นเนี่ยจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นอีกต่อไป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 นะทัยิกาฐานนี้ก็เป็นเรื่องคำรำพึงของพระเถระและพระเถรีก่อนก่อนบรรลุธรรมบ้างหรือว่าหลังจากบรรลุธรรมบางทีก็เป็นธรรมอุทานขึ้นมาก็มีท่านหนึ่งพระเถรีท่านหนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นพระอรหรันต์ท่านก็บอกว่าเมื่อใดหนอนะอธรรมชาติภายใน จะจะเห็นว่าธรรมชาติภายในมีความสำคัญเสมอธรรมชาติภายนอกก็หมายความว่าไอ้ไอขันทั้งห้าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเป็นรูปนี้เป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเสมอกันกับกับขันที่อยู่รอบตัวเราแต่มนุษย์ที่ยังมีอวิชชาอยู่<า>ก็จะยังเห็นว่ า, วามีการแบ่งว่า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 ไม่เห็นอะไรเลยก็คือไม่มีตัวฉันก็เกิดนั่นแหละเป็นผลจากปัญญาที่สามารถจะละซึ่งอัตวาตุปาทานหรือความยุติธรรมคัญหมายในตัวตนได้มองมามองภายในเขามาไม่เห็นตัวฉันมองไปข้างนอกเห็นทุกอย่างนั่นก็คือฉันหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับฉันนะไม่ได้มีเส้นแบ่งกันเลยอันนี้คือกรุณา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 วิสุทธิคุณปัญญาคุณกรุณาคุณและวิสุทธิคุณนะอันนี้คือพุทธคุณหลักๆเดี๋ยวนี้เราเวลาเราได้ยินคำว่าพุทธคุณเนี่ยเราก็มักจะได้ยินในแวดวงพระเครื่องพระเครื่องบอกว่าเนี่ยพระพิมพ์นี่มีพุทธคุณพุทธคุณคือแล้วคือป้องกันอันตรายได้หรือว่ามีอำนาจอานาจจิตนะมีพลัง น, นั่นไม่ใช่พุทธคุณที่แท้พุทธคุณที่แท้คือปัญญาคุณกรุณาคุณและวิสุธทธิคุณหรือว่าย่อมาเป็นสองคือปัญญาคุณและกรุณาคุณนะอย่างที่เราสวนทุกเชา้าเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ก็คือไม่มีตนหรือว่าหมดตนนะที่จริงมันหมายความว่าไม่มีความยึดติดถือมาในตัวตนนะี่มันตรงข้ามกับนักปฏิบัติจํานวนมากที่ มองตนจนลืมคนอื่นนะแต่ปฏิบัติจริงมันต้องมองตนจนไม่เห็นตนมองตนจนไม่มีตนแล้วก็คำหนึ่งถึงมหาชนสรรพสัตว์สรรพชีวิตนี่คือลักษณะของการปฏิบัติเนี่เราก็ต้องพิจารณาดูาเออเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราเอาแต่หมกบุนในตนเองหรือเปล่า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 บรรลุแจ้งหรือบรุธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะยิ่งศึกษาตนยิ่งมองตนก็ยิ่งไม่เห็นตนนะนัมันตรงมันแปลกดีนะยิ่งมองตนเท่าไหร่ถ้ามองตนไปลึกๆก็ไม่เห็นตนในส่วนใหญ่ถ้ามองตนไปแล้วเนี่ยความเห็นกับตัวภาคภูมิเพิ่มภูมมากคือนี่มันแสดงว่าผิดแล้วล่ะ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 นั่นก็คือการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มันก็จะไม่มีตัวกูแล้วล่ะมันก็เห็นมันก็จะซอยย่อยมาเป็นเป็นรูปและนามปิดกายกับใจนี่ถ้ามองตนถูกวิธีมันก็ไม่มีตนให้เห็นนะเพราะว่าตนนี่มันก็เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาด้วยความยึดติดถือมัน่นนะแล้วเมื่อการมองแบบนี้เนี่ยนะ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 มองอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนหมดเช่นทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนะสิ่งที่ปรุงนั้นก็คือใจเราปรุงใจเราเป็นผู้ปรุงเป็นแต่พอพอปรุงมาแล้วไอ้สิ่งที่ปรุงนั่นแหละมันก็มาครอบงามเราอันนี้เรียกว่าก็ตรงกับที่ที่เขาบอกว่าเนี่ย เราเป็นทา ย, ยาทของกรรมเรามีกรรมเป็นทายาทนะเรามีกรรมเป็นเผาพันธุ์เราเป็นทา ย, ยาทของกรรมเราเป็นทา ย, ยาทของกรรมคือว่าเนี่ย พ, พอเราปรุงพอเราปรุงอะไรขึ้นมาเราก็ตกอยู่ในทิพลของสิ่งที่เราปรุงปรุงว่ามีผีปรุงว่ามีคนร้ายปรุงว่ามีคนมาจ้องทําร้ายเราเราก็กลัว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 มีกรรมเป็นทายาทแล้วก็เราก็เป็นทายาทของกรรมไปพร้อมๆกันอันดูเห็นนี่เองเนี่ยการการที่เราทำความดีให้ฐานรักษาศีลและเจริญภาวนาที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเมื่อเราทำเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาปรุงแต่ง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 ใกล้จะถึงใกล้จะประชิดรถข้างหน้าอยู่แล้วตอนนั้นรู้เลย ว, ว่ากําลังจะถูกอัดก็ปี้ก็รู้เลย ว, ว่าตายแน่ในระหว่างนั้นเองก็มามาสังเกตว่ามือของตัวเองกับกำโพงมาไหลไ้แน่นเลยกำโพวงมดไหลไว้แน่นเกรงเลยเธอก็ได้คิดว่าฉันฉันก็เกรงอย่างที่มานานแล้ว ถ้าจะตายกขตายแบบสบายๆดีกว่าจะไม่จะไม่เกรงจะไม่เครียดแบบนี้แล้วเครียดมาทั้งชีวิตแล้วจะตายก็ขอตายด้วยด้วยความศึกเบาสบายก็เลยปล่อยมือแล้วก็หลับตาแล้วก็ตามลมหายใจแล้วก็รถคันหลังก็ทนเข้ามาดังส น, นั่นโครมปรากฏว่าไม่ตาย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 คุณก็คงตายไปแล้วเพราะว่าจะต้องรับแรงกระแทกอย่างแรงแต่นี่คุณผ่อนคลายนะไอแรงที่กระแทกก็เลยมันก็เลยเหมือนกับต้นต้นไผ่พอเจริญลมมันเย็นไปแรงก็เลยไม่มาไม่ไม่ไ ม, มาปะทะตรงตรงก็เลยแค่ฟกช้านิดหน่อยอันนี้เราเป็นเข้อมีสตินะข้มีสติแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาปล่อยวาง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 คนที่รักตัวคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันก็จะกลัวตายและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะยอมรับความตายได้ก็จะขัดขืนดี่หลนแล้วถ้าเกิดอยู่ในสภาวะเช่นนั้นอย่างทีผ่ผู้หญิงคนที่เจอก็คงจะแทนที่จะรอดก็กลายเป็นตายนะการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติให้ให้เราเนี่ยได้ ได้ได้เข้าถึงสภาวะที่มันรู้เท่าทันตัวเองจนกระทั่งเราสามารถที่จะเป็นอิสร ะ, สระจ่า้ความยึดติดถือมั่นนะ ใ, ในในในตัวตนให้ได้จริงจริงการเจริญสติเนี่ย ถ, ถ้าถ้าถ้ามีสติเนี่ยในสภาวะที่มีสติเนี่ยให้ความ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 นะฉันอยากได้ฉันอยากได้ก็ตันหานะตรงนี้เนี่ยที่ที่ต้องมีสติเข้ามากํากับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทโธได้ได้ได้ได้ย้ำเลยนะว่าสติเนี่ยมันเป็นอุบายในการสลายตัวตนได้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 เกิดสำนึกขึ้นมายอมรับว่าฉันไม่ใช่อภ า, ารหันต์ก็เลยพยายามที่จะดานต้นไปหาพระพุทธเจ้าเดินเป็นวันวั น, วนเป็นคืนคืนระยะทางหลายร้อยโยน์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไฟแรงมากไปถึงสาวัตถีตอนที่พระเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตไปถึงก็ทูลขอให้พระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธ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 พอตัดเช่นนี้พายาก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยได้ชื่อเป็นพระอาหารหันต์ที่รู้ธรรมเร็วมากนะพอรู้ธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ตัดสินใจออกบวชแต่ไม่ทันจะไปไม่ทันจะไปหาบริการครบก็ถูกวัวขิดตายตายโดยที่ยังไม่ทันได้ออกบวชแต่ว่าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วอที่พระองค์สอนพายาสั้นๆเนี่ยสําคัญมากคือว่าเมื่อเห็นศัพท์แต่ว่าเห็นเมื่อ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 พรามคนนะ่าชื่อมาลุงกะยับบุตรบอกว่าแกแล้วข้าพเจ้าแก่แล้วขอให้พระองค์แสดงธรรมสั้นๆพระองค์ก็แสดงธรรมคล้ายๆทํานองนีนะ้เพราะว่าเป็นธรรมที่รวมหัวข้อสําคัญไว้ได้โดยเพราะเรื่องการเจริญสติที่สามารถจะทําลายหรือสลายตัวตนได้นะใการปฏิบัตินี้ถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็